5. าอเจละกะวาตสี่ระโหปฏ p ิดช น, นะสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่ลับมีสิ่งกำบังเรื่องพระอุปนันทักยบุตร284ยสสมัยนั้นพระผู้มีรพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทักยบุตร ได้ไปเรือนของสหายแล้วได้นั่งบนอัสนะที่กำบังในที่รับกับภรรยาของสหายครั้งนั้นสหายนั้นได้ตำหนิประนามพลทนาว่าฉนัยพระคุณเจ้าอุปนันทะสักกับุตรจึงนั่งบนอัสนะที่กำบังในที่รับกับภรรยาของกระผมเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินสหายของท่านพระอุปนันทะสักกับุตรนั้นตำหนิประนามพลทนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพลทนาว่า ขณะท่านพระอุปนันทะสักยบุตรจึงนั่งบนอสศนะที่กำบังในที่ลับกับมาตุคามเล่าครั้นพิกษุทั้งหลายตำหนีท่านพระอุปนันทะสักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ